ลำบากตรงที่บอกเรื่องอะไรก็ได้นี่เนี่ก็ไม่รู้พิาพจรารณาจะเทศอธิบายพูดคุยกันในเรื่องไหนก็ยังไ ม, <c oughs> ไม่เคยได้เตรียมไม่เคยได้วางข้อกำหนดไว้ในแต่ละครั้งว่าจะพูดอะไรเอาความเป็นจริงที่เราจะคุยกันนี่แหละว่าแต่ละครั้งเห็น <c oughs> รู้ไหมว่าทำไมพทธเจ้าจุดประสงค์ของการที่พระองค์ทรงอสอนให้ทาน เมื่อเขาไปนั่งใกล้ไต่ถามปัญหากับพระพิสุพระองค์บอกว่าให้มีให้มีการไต่ถามปัญหามันก็ต้องเนี่ยก็พวกเราเนี่ยเป็นผู้ถามถามปัญหาพราะาละให้มาให้ทานกับพระพิสุจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าคือให้มีการสนทนากับพิสุ พูดคุยกับพี่สุไม่ใช่ว่าให้ทานแล้วเสร็จแล้วกลับเรียบร้อยแล้วถามว่าได้บุญไหมก็ได้บุญอยู่แต่ไม่ใช่จุดประสงค์ที่ต้องการจุดประสงค์ที่โปรต้องการคือหนึ่งะเข้านั่งใกล้นั่งใกล้เสร็จอถามปัญหาทำถามปัญหาทำแล้วก็ทรงจํำทำที่ได้ฟังได้ถามไหมเนี่ยทรงจําไว้แล้วก็นําไปสู่การปฏิบัติมีอยู่คราวครังหนึ่งที่อ นายอนาถาบิติกาเศรษฐีไม่ใช่ครั้งหนึ่งอ่ะตลอดเวลาที่อนาถาบิติกาเศรษฐีประพฤติก็คือให้แต่ทานอย่างเดียวไม่ยอมถามปัญหาธรรมพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เลยได้เ อ, อ่ยปากถามอนาถบิติกาเศรษฐีคืนอนาถาบิติกาเศรษฐีเธอไม่ถามปัญหาในธรรมกับตถาคตรเลยเป็นการไม่เหมาะไม่ควรที่เธอเป็นพุทธสาวก อาณาถาบิทิการเศรษฐีก็บอกว่าก็ข้าพระองค์กลัวพระองค์จะลำบากในการตอบปัญหาให้แก่ข้าพระองค์กลัวลำบากกลัวไม่ได้พักผ่อนอยนะ่าง้ง่ายกลัวจะเหน็ดเหนื่อยอย่างเงี้ยไม่อยากทำให้พระองค์ลำบากเลยไม่กล้าถามปัญหาใดๆพระองค์บอกว่าการที่เธอไม่ถามปัญหานั่นแหละทำให้เราลำบาก <c oughs> <c oughs> ทำไมทำไมผู้ได้เจ้าไม่สอนไปเลยไม่เทศไปเลยทำไมต้องรอให้ถาม เ, าเราคิดดูสิเราบอกว่าถ้าอาจารย์จะเทศอะไรก็ได้ะยถ้าอาจารย์จะสอนอะไรก็ได้ลําบากเหมือนกันนะลําบากที่จะพูดออกไปเหมือนกันนะก็ไม่รู้สิ่งที่พูดมันจะมันจะเป็นที่รับรู้รับทราบรับเข้าใจสําหรับคนที่ฟังคแค่ไหนเนี่ยนเะพราะสิ่งที่พูดเนี่ยมันมันก็พูดด้วยความเข้าใจของตัวเอง ไรู้ว่าคนอื่นจะเข้าใจแค่ไหนแต่ถ้ามีการถามก็จะได้ที่บายข้อปัญหาในส่วนที่เราจะได้เข้าใจประเภทเนี้ยผู้ใหญ่บอกการกระทาของเธอไม่เหมาะไม่ควรและไม่ไม่ไม่ถูกต้องได้ชื่อว่าทําให้ตถาคตเป็นผู้ลําบากไม่ยอมทําปัญหาธรรมผู้เหญ่บอกว่าการไม่ทําปัญหาธรรมรี่ว่าตัดตัดความรู้ของตัวเองตัดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปในตัวเอง ต้องรู้จักถามปัญหาธรรมเราต้องรู้จักตั้งคําถามการตั้งคําถามเป็นเครื่องบอบอกของการทันพยายามไขรู้อะเรียกว่าเป็นเป็นสติปัญญาอันหนึ่งการตั้งคำถามว่าธรรมะเป็นเรื่องของคนมีปัญญาทน้าที่จะจัดการเรื่องที่ว่าต้องเจอหัตะลุกในที่ตทำงาน ตอนนี้ต้องเจอจริงๆเพราะว่าจะต้องทำงานภาษากับเขาแบบช่วยกับเาเลยอะค่ะก็เลยวันนั้นเมื่อวานคุยเาในห้องก็เขาเลยจะเอาเป็นรูปน้องสายตรงแต่แต่ด้วยเรื่องที่เรารู้ว่าเขาเป็นคนยังไงก็เลยนึกถึงนึกถึงีครูอาจารย์สอนก็เลยทำทำยังไงอ๋อ้างท้องธาต ลนะตัวเองไ่ไม่ให้ไม่ไม่ให้เราสร้างความโกรธหรือความปฏิปัก์ต่อเขาอย า, ามเนเตขาตรงหน้าเลยค่ะคือเพราะเราเียไม่ได้ทตนตอนนั้นเลยดีดีมากถูกต้องพยายามอ่ะแล้วก็ทไวานะแล้วก็เราเียเลียงที่จะไม่เผชิญไม่ได้การเผชิญจะดีที่สุดแล้ ว, <c oughs> ลวมันจะ เ, เป็นสิ่งที่ดีตามมาเอง นั่นแหละอย่ <cái S 2> <ul composer> ะไปเลี่ยงการเลี่ยงมันไม่ใช่ดีการก็เลี่ยงได้แค่ชั่วคราวแต่การเผชิญเป็นการอยู่ความเป็นจริงเป็นการที่เราได้ได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นแล้วก็เราได้เข้าใจสิ่งที่เราทํามากขึ้นในจุดที่เราทําสมัยอยู่กับหลวง ป, ป, ปู่คำสุขหลวงปู่คำสุขท่านจะเป็นคนเป็นพระที่ดูดาเกง่งพระรูปอื่นเนี่ยจะเลี่ยงหลวงปู่หมดเลย ค่อยจะกล้าเผชิญเมียตามาลูกเดียวต Father, อนแรกตามาก็เลี่ยงเหมือนกันนะไม่กล้าเข้าใกล้ไม่ไม่ให้ลูกปูเห็นลบเวลาลูกปูมาก็เดินเลี่ยงไปาทางอื่นอย่างเงี้ยแต่พอถึงระดับหนึ่งแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจากการที่ไปอยู่กับท่านอย่างนั้นเราก็ต้องกล้าเผชิญกล้าเผชิญกับท่านถูกดุกดาอะไรก็ต้องยอมในการที่จะถูกดุถูกด่าแล้วก็ตังต้งจิตรับให้ทันในสิ่งที่ท่านบอกทั้นสอนให้เราจับประเด็นในสิ่งที่ท่านบอกก็พอ แต่อย่าไปจับตรงจุดที่ท่านดา่าทัเดงคือแยกแยกส่วนที่ด่าออกไปแต่จับเอาประเด็นในสิ่งที่ท่านต้องการจะบอกคือจริงๆท่านต้องการจะบอกแต่บอกในรูปแบบของคำดา่านะทีนี้โดยทั่วไปคนทั่วไปจะแยกไม่ออกถ้าแยกไม่ออกปั๊บเนี่ยก็จะเหมารวมในคําด่ากับคําที่ท่านบอกเป็นอันเดียวกันก็เลยจะไม่ชอบใจนั่นก็พานหลีเลี่ยงอย่างเงี้ยจริงๆแล้ว ในคำว่าในคำบ้ำบากล่าวหรือคําด่านั่นน่ะมันมีสาระสําคัญอะไรบางอย่างที่ที่มีประโยชน์อยู่ตรงนั้นอยู่เราต้องแยกตรงนี้ออกไปให้ได้การที่เราได้เผชิญเราจะได้อะไรดีๆมากขึ้นนะไม่ใช่ได้อะไรดีๆจากเขาแต่ว่าจิตใจเราจะพัฒนามากขึ้นมันจะดีมากขึ้นจริงๆปฐ <ๆ S 1> ต, ตามาก็เห็นตั้งแต่ คราวนั้นมาว่าออจิตเรามันดีขึ้นจากการที่เราแต่ก่อนเราไม่ชอบใจคำดา่ากลายเป็นว่าวันไหนไมีถูกด่านี่นอนไม่หลับ <c oughs> หาเรื่องให้เราปู่ด่าดีกว่าเว้ทีนี้ <c oughs> อ๋เป็นอย่างนั้นจริงๆ <c oughs> ตอนแรกกลัวตอนหลังมาไม่กลัว <c oughs> คำด่าถือว่าเป็นเรื่อง <c oughs> ไปทำให้เรามีสติ <c oughs> เรื่องอะไรก็ตามที่เรา <c oughs> เข้าใจว่ามันไม่ดีนี่ <c oughs> ถ้าเราไปลองเผชิญกับมันจริงๆนะมันจะกลายเป็นสิ่งที่ดี มีดมันจะคมได้ก็ต้องรับกับกับหินที่มันอายาบหยาบใช่ไหมล่ะหินที่มันหยาบเขาไม่ได้เอาหินละเอียดมารับมีดเนี่ยเขาไม่ได้เอากระดาษาดาได้มารับมีดเพราะไอ้หินหยาบหยาบได้มารับมันถึงจะคมจิตเราจะดีหรือจะฉลาดได้มันก็ต้องประสบกับสิ่งที่มันไม่ดีนะเนีย่ยใชย่เลพวกอาจารย์ใช้หิ่รับอ่าตอนนั้นเราจะ เราจะพยายามควบคุมตัวเอง <c oughs> เช็คจิตตัวเองระวังตัวเองเกียวเลยตอนนั้นอะ่ะ <c oughs> คล้ายๆก็บเอ้ยเหมือนกับลูกไก่เลยแบบ <c oughs> เป็นลูกเกียวเลยแหะตอนนั้นะ่ะเราต้องยอมหมดทุกอย่างอะนะแล้วมันจะดีแล้วเขจะเห็นเราดีในสายตาแล้วมันจะเกิดประโยชน์เกิดคุณค่าสุดท้ายก็คือทํางานรุ่นกับร่วมกันนั่นแหละไม่ได้มีอะไรไม่ได้แข่งอะไรกับใครนะ่ะอาตมาเนี่ย ไ, ไ่ไม่มีแข่งอะไรกับใครจึงไม่มีใครเอาชนะอาตมาได้ นายอาตมาไม่เคยแพ้ใครพราะ อ, อตมาไม่เคยแข่งกับใครถ้าไปแข่งกันก็มีแพ้มีชนะทุกสิ่งที่อาตมาทำมันสำเร็จทุกอย่างเลยพอสําเร็จ ด, ด้วยการที่อาตมาทําแล้วก็วัดผลในตัวเองถ้าเราไปเปรียบเทียบคนอื่นแล้วไปแข่งคนอื่นเนี่ยเราไม่มีทางสําเร็จหรอกเราก็จะเปรียบเพราะมันฐานะของคนมันจะมีะลำดับแต่ละคนใช่ไหมละ่ะมันก็จะมีสูงต่ำตามอามนาวาสนาถ้าไปแข่งกันอยู่างงั้น มันก็มองกันเทียบกันเป็นเป็นทิฏฐิมานะขึ้นมาถือตนถือตัวขึ้นมาทําอะไรมันก็มีแต่อิจฉาลิษยาการแข่งขันกันเอาดีเอาเด่นกันอย่างเงี้ยมันมันไม่เป็นอย่างนั้นสมัยตมาอยู่หลวงปู่คําสูงเหมือนกันมันก็มีประเภททําวัดปฏิบัติเพื่อเอาหน้ากันอย่างเงี้ยมันก็มีอยู่ในสํานักของครูบาอาจารย์แต่ตมาทําเพราะต้องการให้ขวัดปฏิบัตินั้นสําเร็จในแต่ละครั้งแต่ละครั้งแล้วเราก็ทําเพื่อให้เราได้รู้จักขวัดแล้วก็ เป็นไปตามพ่อวัดในสายกรรมฐานที่เราได้ปฏิบัติไม่ต้องการแข่งกับใครมันก็เลยไม่เคยแพ้ใครเลยชีวิตนี้และไม่มีใครเอาชนะอาตมาได้เพราะไม่เคยแข่งกับใคร นั่นแหละตอนตอนที่เราเผชิญนั่นแหละมันจะมีทั้งสติทังสมาธิมันจะเข้ามาเองมันจะเข้านั้นเป็นสมาธิแบบดิบๆเลยนะไม่ได้สมาธิที่เกิดจากจากการขัดเกลานะเป็นสมาธิปัจจุบันทันด่วนเป็นสมาธิแบบเอายังไงก็เอาอย่างนั้นหรอว่าอย่างนี้กับเขาเป็นประเภทที่เรียกว่าจะตั้งทันหรือตั้งไม่ทันก็แล้วแต่มันเราเผชิญกับมันตรงๆเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆจีบมันจะเกิดการเรียนรู้เองมันจะรู้จักปัญหารู้จักเหตุให้เกิดปัญหาคนที่กล้าเผชิญกับปัญหาเนี่ย มันเป็นเครื่องทดสอบสติปัญญาของเราด้วยว่าเรามีสติปัญญาแค่ไหนแล้วสติปัญญาของเราถ้าได้ผ่านปัญหาอยู่ตลอดมันจะฉลาดขึ้นมันไม่หยุดนิ่งแรกแรกมันอาจจะยังไม่เข้าใจปัญหามันก็ต้องโดนปัญหาบีบคั้นอยู่บ้างเป็นธรรมดาเพราะยังไม่เข้าใจแต่พอเผชิญไปเรื่อยเรื่อยเื่อยเราจะรู้ท่าทีขอ ง, ของคนที่เราร่วมงานด้วย เราจะรู้ทันรู้ท่าทีรู้ว่าเขาควรทําเขาอย่างไรควรจะพูดกับเขาอย่างไงควรจะถ้าพูดผิดเป็นอย่างนี้ถ้าพูดถูกจะเป็นอย่างนี้ถ้าทําถูกจะเป็นอย่างนี้ทําผิดเป็นอย่างนี้ก็ก็จะเข้าใจเองจะเกิดการเรียนรู้เองมันจะเกิดการพลิกใช่เปลี่ยนเขาไม่ได้ถูกถูกนี่คือความจริงนี่เป็นสัจจ์เราไม่สามารถเปลี่ยนใครได้พระเจ้าก็เปลี่ยนใครไม่ได้แต่สิ่งที่วงทรงประพฤติปฏิบัติ เปลี่ยนคนเองคือคนอื่นมาเห็นแล้วมันคนอื่นเขาเปลี่ยนตามพระโธอง์เองแรกๆอาตมาดําเนินวิถีอย่างนี้ก็ไม่มีใครกล้าปฏิบัติตามอาตมาพออาตมาทำมาเรื่อยๆก็มีคนเปลี่ยนตามอาตมาเองจะมีคนเปลี่ยนค่อยตามตามมาตามมามันอาตมาไม่ได้เปลี่ยนใครแต่ค่อยเปลี่ยนนี่นี่ก็ค่อยเปลี่ยนมานี่ก็ค่อยเปลี่ยนมาเนี่ย มาแบบค่อยๆมากเลยนะ่ะค่อยๆไงค่อยๆเปลี่ยนอะไรก็ตามมันค่อยๆเปลี่ยนไปเองอ่ะขอให้เราตั้งมั่นอยู่ในสิ่งที่เรากทำทําทําำไปเถอะการทํางานร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่อะไรพวกนี้นี่จะต้องตัวตนต้องน้อยที่สุดหรือแทบไม่ให้มีเลยมา ใ, ให้มันเหลือศูนย์อ่ะดีที่สุดตัวตนอัตตาความคิดความเห็นอะไรให้ ให้เป็นของของผู้เป็นหัวหน้าเนี่ยเป็นเล่นหลักให้เขาเป็นใหญ่ เ, เราอองงเร า, เรามอบความเป็นใหญ่ให้เขาเนาะพอเรามอบความเป็นใหญ่ให้เขาแล้วมันก็เราก็ไม่ต้องมีตัวตนอะไรกับเขาทําตามที่เขาบอกมันจะดีเองทีนี้มันจะดีแต่บางครั้งเราอาจจะลําบากบ้างในบางอย่างบางเรื่องก็ก็ต้องยอมก็ต้องยอมการยอมอย่างนั้นมันได้ฝึกฝนตัวเองเป็นสิ่งที่ดี คนเรามันเสียอย่างเดียวคือไม่ไม่ยอมกันแต่ประเภทไหนก็ตามไม่ยอมกันพุทธเจ้าบอกว่าคนที่อ่าพูดคนที่อดทนต่อคําร่วงเกินของผู้ใหญ่ได้เขาอดทนเพราะถือว่านั่นคือผู้ใหญ่เขาจึงอดทนได้คนที่อดทนต่อคําของบุคคลผู้เสมอกันได้เขาอดทนได้เพราะเขาถือว่าเป็นคนที่เสมอกันแต่คนใดก็ตามอดทนต่อคําของผู้ต่ําได้ เยว่นั่นคือการอดทนที่ประเสริฐผู้น้อยเพราะงั้นการอดทนกับกับผู้ใหญ่เข้าพูดกับเรานี่คือว่าเป็นธรรมดาที่เราต้องอดทนพี่เอ้าบอกพุทธะตัดถึงเรื่องการอดทนอย่างนี้แต่บรรดาการอดทนทั้งหมดบุคคลผู้ใดก็ตามเป็นผู้อดทนได้ผู้นั้นประเสริฐเหมือนกันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นผู้ประเสริฐได้ก็อดทนฝึกอดทนให้เป็นผู้ประเสริฐอดทนไม่ใช่จำทนนะ กูจำทนทำมากับกับคนนี้ก็เพราะอะไรเพรลีเรียกไม่ได้อะไรโอเคเนี่ยเลยจำทนต้องทำอะไรไม่ใช่ไม่ใช่จำทนนะไอ้จำทนอันนี้มันใช้ไม่ได้มันก็เก็บความรู้สึกอดทนหมายถึงว่าเปลี่ยนพลังพลังแห่งสิ่งความไม่ดีเนี่ยไปไปสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีคือเก็บความทุกข์นั้นไว้ในใจโดยที่ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนอดทนด้วยอดทนต่อความทุกข์นั้นด้วยกําลังใจของตัวเราเอง แล้วเราจะมีกําลังใจเพิ่มพูนขึ้นไปไเรื่อยๆเราไม่ปล่อยให้ความทุกข์ที่อยู่กับเราเนี่ยไปกระทบกระทั่งหรือทําให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนเพราะมันเกิดขึ้นกับเรามันก็เป็นความเดือดร้อนกับเราแล้วถ้าเราไม่ยอมอดทนเราเอาความทุกข์ความเดือดร้อนไปไปไ ป, ไปผ่านคนอื่นหรือว่าไปให้คนอื่นมันก็มีโทษนอกจากจะเกิดกับเราแล้วไปเกิดโทษกับคนอื่นมันมันมันมันเป็นการอะไร ไม่สงบระงับนะพูดง่ายง่าเขาว่ามาก็ว่าเขาตอบอะไรโอเคนี้มันไม่ได้เราต้องยอมอดทนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็คลายเดี๋ยวมันก็หมดเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันไม่ได้มีอะไรอยู่ยั่งยืนแต่การที่เราผ่านมาได้แต่ละครั้งจิตใจของเรามันจะเติบโตขึ้นตติปัญญาเราจะเติบโตขึ้นบางทีเราอาจจะไม่รู้อ่ะแต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นกิเลสมันก็จะหลุดออกไปด้วยนี่คือการใช้สติปัญญาในปัจจุบัน จะเรียไม่ต้องมานั่งสมาธิมานั่งภาวานามันก็คือองค์สมาธิองค์ภาวานาอยู่ในตัวนั่นแหละเพียงแต่ว่าไม่ได้รับความสงบในเวลานั้นภาวานาที่มานั่งทําความสงบเป็นแค่ความสงบชั่วคราวแต่การที่เรากล้าเผชิญกับความจริงเป็นการทําลายเหตุแห่งความไม่สงบที่พร้อมจะอํานวยความสงบอันถาวรให้กับเราในภายหลังมันจะเป็นความสงบถาวรเลยทีนี้ เวลาทํางานร่วมกับเขาทีไรก็ไม่มีความรู้สึกเป็นปฏิฆะก็สงบเลยท่นี้ครั้งต่อไปครั้งแรกๆอาจจะทําตัวไม่ถูกบ้างบ้างอย่างนี้บ้างการนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาก็นี่แหละเราจะเป็นเครื่องวัดสติปัญญาของเราเป็นสิ่งที่ดีหลักธรรมในทางพุทธศาสนาท่านก็สอนในเรื่องของการวางตัวไม่อยู่เหมือนกันว่าควร ควรวาง ต, วตัวให้มันเป็นฐานะตามฐานะของตัวเองนะสมัชชีวิตาใช้ใช้ใช้ชีวิตให้เสมอตัวเองอเป็นไปตามอะไรฐานะสระเบียบหรือว่าอะไรเรียกตำแหน่งนะตำแหน่งหน้าที่ข อ, ของตัวเองเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกับฐานะแม่กับลูกอย่างเงี้ยทำยิง ตอนเด็กๆนี่แม่พูดอะไรก็ยังพอเชื่อฟังอยู่พอโตขึ้นมานี่ไม่ค่อยจะฟังนะถ้าโตขึ้นมายากตอนนี้นานแลตอนนี้นานแล้วเป็นไงน้องนิดโตขึ้นมาแล้วเป็นไงก็เขามีตัวตนของเขาแล้วเราจะไปว่าอะไรเขาเหมือนเด็กๆไม่ได้แล้วแม่ก็ต้องเข้าใจด้วยจะไปว่าเขาเหมือนตอนที่เขาเป็นเด็กก็ไม่ได้ตอนเป็นเด็กนะว่าอะไรก็ว่าไปเถอะไม้อ่อนน่ะ ใไมไม่ไมมอ่อนก็ดัดไปเรื่อยๆแต่โตขึ้นมาแล้วดัดสุดทีเดี๋ยวมันดีดเราดีดเราทีนึงก็โป๊ะเก็บกันใช่ไหมไม้แก่มันเริ่มนันเกิบแก่แล้วไงดัดยากอะไรก็เป็นของตัวเองหมดแล้วแหล ะ, ะก็คิดได้แต่ว่าเออวางแล้วไงเนี่ยสบายไม่เมื่อยปากด้วย ไอ้มัวแต่ไปพูดไปว่าไปดา่าเมื่อยปากด้วยอนั้นก็ใจตัวเองก็ขุนมัวด้วยอยู่ที่เฉยดีกว่าไม่บาปหรอกอยู่ที่เฉยเนี่ย <c oughs> แต่พูดด่ามันเน่ <c oughs> บาปเกิดขึ้นอยู่ตลอดเ <c oughs> นาะเ <c oughs> หนี่ยน้อยก็นั่งทำความเข้าใจตามความเป็นจริงเออนึกถึงย้อนไปสมัยที่ <c oughs> เรากับแม่ก็เหมือนกันละมั่ง <c oughs> เผด็งนั่นนะ ความดื้อก็มีอยู่มันเป็นปัญหามาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละพ่อกับแม่เนี่ยคำพูดพ่อแม่ก็ยังเห็นลูกเป็นเด็กเป็นเด็กเป็นเด็กอยู่นั่นแหละเป็เด็กไม่เป็ตัวลูกไม่ได้ว่าเป็นเด็กสันทีหรอกเขาโตแล้วเา <c oughs> ขาบอกเขาโตแล้ว <c oughs> โตแล้วจริงก็ถูกแล้วเ <c oughs> ขาก็โ ต, โตจริงๆเราก็ควรจะเลี้ยงลูกให้โตเหมือนกัน อย่ามองเขาเป็นเด็กถ้าเรามองเขาเป็นเด็กแสดงว่าเขาไม่ยอมรับว่าเขาจะโตได้เมื่อเราไม่ยอมรับว่าเขาจะโตได้ก็เท่ากับว่าเราพยายามเลี้ยงให้เขาเป็นเด็กอยู่นั่นแหละเป็นทารกอยู่นั่นแหละเพราะเขาโตได้เขาเริ่มคิดอะไรได้เอาเธอะน่าเดี๋ยวประสบการณ์ของเขามันจะสอนเขาเองเราสอนเขาไม่ได้แล้วตรงนั้นใอ้ประสบการณ์ที่เขาเจอนั่นแหละมันจะสอนเขาเขาอาจจะเจอในสิ่งที่มันไม่ดีบ้างเราก็ต้องปล่อยให้เขาไปเจอมันจะได้ ไงมันจะได้แบบเออรู้รู้แบบไม่ต้องไปพูดมากแล้วนะรู้ควบคุมมากคแรบบับพ่อแม่แม่กับลูกกับเป็นนายเบนกันขัดกันอย่างนั้นเน<ม>ี่ย่ไม่ เ, มเลิกไม่แล้วนี่น้ำอิงยังน่ารักอยู่ ยังอะไรบอกให้ทำอะไรก็ยังทำอยู่โตโตขึ้นมานี่ยากแล้วแหละมันจะมาวัดไงข่าตอนแล้วมั้งนี่ปุยกัน การแผ่ม เ, เมเตามเเมาต า, มมากับการอุทิศบุญต่างกันอย่างไรการแผ่เมตตามันเป็นการแผ่มมไมตรีจิตเป็นเรื่องของจิตใจการทําบุญจะต้องอาศัยการกระทําหมายว่าตั้งจิตเป็นบุญเป็นกุศลและกระทําลงไปเช่น<ม>ตั้งจิตที่จะให้ทาน แล้วหาของทานไปให้สิ่งที่ควรค่าแก่การให้ทานเอาไปให้ก็เกิดเป็นบุญที่เกิดจากการให้ทานตั้งจิตที่จะรักษาศีลแล้วงดเบ้นในศีลเจตนางดเบ้นในศีลก็เกิดเป็นบุญในการรักษาศีลตั้งใจที่จ ะ, ะเจตนาในการทําสมาธิแล้วตั้งจิตไว้กับกุศล ธ, ธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นระ ล, ลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ นั่งแลลึกถึงอยู่ว่าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอประเสริฐของข้าพเจ้าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งประเสริฐของข้าพเจ้าอย่างเี้ยแ ล, ลึกไปอย่างนี้ก็จิตเป็นหนึ่งเดียวก็เป็นสมาธิต้องอาศัยจิตในการกระทําแต่แผ่เมตตานี้มันเป็นการแผ่ไม่ตีจิตไปถึงแก่ทุกๆคนที่เราเกี่ยวข้องหรือว่าสัรพสัตทั้งหลายทั้งปวงการแผ่เมตตาการแผ่เมตตา ไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าจะแผ่เมตตาให้กับใครมันก็มีทั้งแบบเจาะจงและไม่เจาะจงแต่ที่มีมาในหลักคำสอนที่พระองค์ทรงสอนให้แผ่ก็ร เ, เรืองอรอปปามัญญาใช่ไหมไม่กำหนดไม่มีประมาณในตัวบุคคลแผ่ไปได้ทั้งคนที่เรารักและคนที่เราไม่ไม่ไม่รักคือคนที่เราเกลียดอเงี้ยก็ต้องแผ่ไปโดยเฉพาะคนที่เราเกลียดนี่ควรจะแผ่ไปให้มากๆ การแผ่เมตตาสามารถทำลายความเกลียดชังได้อันนี้การแผ่เมตตาไม่ได้นับว่าเป็นบุญแต่เป็นความดีเป็นความดีที่สูงกว่าบุญการแผ่เมตตานี่ยนะสูงกว่าเป็นการแผ่ไม่ตีจิตเป็นแผ่ความปรารถนาดีตั้งจิตปรารถนาดีตั้งจิตในความเป็นเป็นมิตรกับทุกๆคน แม้ในคนที่เราไม่ชอบเราก็สามารถเป็นมิตรกับเขาได้มันไม่จะเป็นว่าเราจะต้องเป็นมิตรกับคนที่เราชอบการเป็นมิตรกับคนที่เราชอบเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายแต่การเป็นมิตรกับคนที่เราไม่ชอบเป็นสิ่งที่ทำได้ยากยิ่งเราไม่ชอบใครเราก็ควรที่จะตั้งจิตเป็นมิตรกับเขาให้มากขึ้นเท่านั้นการแผ่เมตตาจะช่วยเหลือแก้ไขสิ่งเหล่านี้ให้เราอยู่ร่วมกันกับคนที่ไม่ใช่มิรก็ได้ ส่วนการทําบุญมันไม่ได้ช่วยในเรื่องพวกนี้การทําบุญก็แค่เครื่องอาํานวยผลเช่นให้ทานก็อาํานวยคาดทางด้านโภคทรัพย์รักษาศีลก็อานวยามวกในผลสุขติไปที่ไหนก็มีความสุขความเจริญเพราะไม่มีเวรภัย5ประการเบียดเบียนทําสมาธิไปที่ไหนเวลากระทบอารมณ์ก็มีจิตตั้งมั่นสงบระงับภัยในจิตของตัวเองได้ส่วนการแผ่เมตตาไปที่ไหนอา น, นิสงส์ของเมตตาก็จะมีผลรักให้ เมียานิสง์ตั้ง11ประการหนึหลับเป็นสุข2ตื่นเป็นสุข3ไม่ฝันไล่สีเทวดารักษา5ไฟสาตาอาวุธยาพิษไม่กำไกล6น่ะลืมมั้งเก็บพูดบ่อยแล้วนั่นเองหอมนุษย์รักให้เจ็เอมนุษย์อมนุษย์รักรักให้มนุษย์ก็รักให้แปดมนุษย์ก็รักให้9 จิตเป็นสมาธิเร็วคือการแผ่เมตตาก็อํานวยให้จิตเป็นสมาธิทําได้ง่ายอย่างเงี้ยสิบหากไม่บรรลุจะต้องบรรลุทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะอา น, นิสงส์นะสามารถอํานวยผลให้บรรลุทำอย่างใดอย่างหนึ่งได้หากไม่บรรลุทำข้อ11 เ, เนี่ยย่อมไปบังเกิดในภพมโลกอา น, นิสงส์ การทําบุญไม่ได้มีอสงฆ์มากมายขนาดนี้นะแต่แผ่เมตตามีอันนสงฆ์ตั้งสิบอประการขนาดนี้สามารถให้บรรลุมรรคผลอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้หากไม่บรรลุผลก็ไปสู่ภพวโลกแล้วก็ไม่หลงสติเมื่อตายแบบอันนี้อันนึ่ข้อนหนึ่งไม่หลงสติเมื่อตายตายแบบไม่หลงสติไม่หลงไม่หลงคล้ายๆกับว่าไม่พั่าเพอ้อไม่ เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้สึกตัวเลยเพจนี้รู้สึกตัวว่าตายก็คือตายเนี่ยนี่คืออ น, นิสงส์สิบเอ็ดประการหาใครอยากจะบรรลุธรรมเร็วแผ่เมตตายเยอะๆใช่มันอํานวยผลในเรื่องของการบรรลุธรรมได้ด้วยนะอตาตมานี่เริ่มตั้งแต่ครั้งแรกเลยตั้งแต่พรรษาแรกเลยเพราะจิตตัวเองนี่มันมีความอาฆาตกับสมัยกันโยมอะไรมีคู่กรณีอยู่ จะทํำยังไงจะทำยังไงจิตมันมันอยู่ไม่เป็นสุขเลยขนาดเราก็บวชแล้วแต่จิตมันยังคิดถึงเครียดแค้นโกรธแค้นเรื่องก็ล่วงเลยกันมานานแล้วแหละเียแต่มันเครียดแค้นจําหน้าไอ้นั้นไว้อยู่ตลอดกูจะกลับไปแก้แค้นกูจะกลับไปฆ่าอย่างเงี้ยมันทำไป็นอ่างนั้นเหรอ ทั้งๆที่มันผ่านมาแล้วแต่ทําไมความรู้สึกมันยังฝังแน่นอยู่ในใจเรามันคืออะไรครับะมันคืออะไรไอ้นามมาทําในจิตนะทำไมมันสามารถเก็บอารมณ์พวกนี้ไว้ได้ดีจังเราเห็นกันเนี่ยเลิกจากการเห็นกันไปแล้วก็ไม่เห็นกันอีกใช่ไหมคือละสายตาไปจากการเห็นก็คือไม่ไม่มีอีกแล้วแต่การแต่ความรู้สึกภายในใจทําไมมันยังผูกฝังแน่นอยู่นี่คืออะไรมันคืออะไร ทังท่านนี้เป็นตัวน้ำน้ำไม่มีตัวอยู่แล้วเป็นน้ำแค่แค่อาการที่แสดงออกมาแต่มันสามารถสร้างความโกรธแค้นชิงชังอยู่ภายในจิตในใจเราได้ทำไมเป็นอย่างนั้นตรงนี้นี่แหละเราจะต้องมาเรียนรู้ในใจเราใช่ไหมเสียงถ้าเราไม่อยากได้ยินเนี่ยเราก็ปิดหูใช่เี้ยสิ่งที่เราไม่อยากเห็นก็ปิดตาอย่างเี้ยแต่อะไรก็เลือกอารมณ์ที่อยู่ในใจแล้วเราไม่อยากจะเจอมันเนี่ย เราปิดมันได้ไหมล่ะเรื่องบางเรื่องงทีมเกิดขึ้นมาแบบกูยังอยากจะคิดก็ยังคิดอยู่นั่นแหละคิดวนวนเวียนอยู่กับความคิดอย่างนั้นเป็นเพราะอะไ ร, ร่องนั้นก็ยังผุดโผล่ขึ้นมาอีกก็ตามตมาก็นั่งดูจิตเอ๊ะจะนั่งสมาธิจะบริกรรมพุทโธนี่ทำไมมันนึกถึงแต่เรื่องอาคาตมาดไรจิตเนี่ยมันวางไม่ลงทำไมมันวางไม่ลงเพ่งออกไปแต่ในเรื่องที่ มันจะสร้างเวรสร้างกรรมต่อกันไม่หยุดไมสิ้นเนี่ยแหละคือโทษของความไม่รู้ต่อมาก็เลยก็มีความรู้มันในด้านปริยัตมาไงเมตตาแก้ไขความโกรธแค้นภายในใจได้ก็เลยตั้งจิตเมตตาตอนแรกมันตั้งจิตแผ่เมตตาได้ยากมากพอเมตตามันเริ่มครัว่ า, วาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเมื่อพูดง่ายๆบอกว่า ให้คนที่เราเกลียดอะรเป็นสุขอ่ะอเ <bie S 2> อามันคนเกลียดที่เราเกลียดเนี่ยเราต้องเกลียดชังมันใช่ไหมแต่เราไปบอกว่าให้จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนึกถึงหน้ามันนี่แล้วบอกว่าให้มันเป็นสุขเป็นสุขเถิดเนี่ยมันไม่ได้มันขัดแย้งในใจตัวเองอยู่ตลอดมันจะให้เป็นสุขได้ยังไง <c oughs> มึงกูต้องเอามึงคืนที่คิดอย่างเงี้ยมันก็สลับกันอยู่อย่างงี้แหละแล้วจะมาบอกให้มันเป็นสุขได้ยังไงวะนี่ไอ้เราก็ขัดแย้งในใจตัวเองคําสอนพระเจ้านี่มันอย่างไงเนี่ย เขาต้องแก้แค้นคืนมันถึงจะสาแก่ใจใช่ไหมแล้วมันเรามานั่งไปบอกให้มันมีความสุขเอแต่ก็เชื่อนะว่ามันมันมันมันต้องแก้ได้สิต้องเชื่อคําสอนพระพุทธเจ้าก็นึกถึงหน้าเขาไปอีกแต่ก็ทําแบบข่มๆใจทําไปอย่างนั้นแหละแต่ปรากฏว่ามันได้ผลนึกถึงหน้าเขาแหละจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงรักษาตนให้พ้นจากทุกไปทุกภัยทั้งปวงเถิด นังนึกอย่างเงี้ยก็นึกอีกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยพอพอสติมันขาดหายอีกสักพักหนึ่งก็หาเอ้ยว่ะกูสึกออกไปเมื่อไหร่ละมึงโดนแน่ละกูจะวางแผนไปเอามันคืนอะไรประเภทเนี้ยพอได้สติขึ้นมาอีกลเลจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่างเงี้ยกลับไปกลับมากลับมากลับไปอยู่ในจิตอย่างงี้จนมันสามารถแผ่ได้อย่างยังสนิทใจให้เขาเป็นสุขจริงๆ ขอให้เขาเป็นสุขเถิดเพราะอะไรเพราะถึงมมึงไม่เป็นสุขกูก็ไม่เป็นสุขกูก็คิดแต่จะเครียดแค้นมึงอยู่อย่างนั้นแหละนะกูขอให้มึงเป็นสุขเถอะปะคิดอยู่นั่นนะซึ่งพอเราให้ให้เมตตาให้เขาเป็นสุขเป็นสุขได้โดยที่จิตเรา ม, มีความเครียดแค้นเราก็เป็นสุขด้วยในขณะนั้นเป็นจริงๆมันได้รับบาริส่งอย่างนั้นจริงๆโอ้แผ่เมตตานี่มันได้ผลจริงๆนี่ นี่อดิส ง, งการแผ่เมตตานะตัมมาเลยแผ่เมตตายึดถือการแผ่เมตตามาเรื่อยตลอดพรรษาหนพรรษาสพรรษา3ไม่ต้องใช้เมตตาเนี่ยเป็นองค์งคุณองคธรรมอะไรขึ้นมาที่สูงกว่านั่นอีกแล้วสูงกว่าเมตตาเนกะ้าล่วงเมตตาพีอกแตอนแรกต้องใช้เมตต า, าแผ่ไปก่อนมันมันเป็นเมตตาอัตโนมัติอนะมันไม่ใช่ไปนั่งแผ่แบบเก่าๆคือเห็นใครก็เสมอเหมือนกันหมดเลย เพื่อนร่วมทุกข์ร่วมแก่ร่วมเก็บร่วมตายขอให้มีความสุขความเจริญทุกคนเด้อที่เห็นกันที่ซ้ําเกี่ยวข้องกันมาที่รับรู้รับทราบมันแผ่ไปเองอัตโนมัติอยู่แล้วธรรมชาติของใจมาที่นี่ธรรมาก็ให้ทุกคนมีความสุขความเจริญก็คิดนึกอยูในใจอย่างเงี้มันเป็นอัตโนมัตินะเป็นอัตโนมัติอยู่ในใจแต่มันก็พื้นฐานจากการเราแผ่มาเรื่อย ๆ, ๆจากก็เห็นผลอยู่ มันใช้ได้จริงๆหลักธรรมของผู้เจ้าใช้ได้จริงๆขอให้นําไปใช้นี่คืออเนกสงฆ์การแผ่เมตตาไปที่ไหนก็จะมีคนรักให่แต่มีคนเกลียดก็เยอะนี่สงสัยแผ่เมตตาไม่เต็มที่หระไอ้คนเกลียดอยู่ยังไงก็ตามเขาก็อยู่ในวิธีของการเกลียดกัน <c oughs> ก็เป็นเรื่องปกตินะ <c oughs> ไอ้คนที่ไอ้คนที่รักให่ก็มีแต่เราไม่ไม่มุ่งไปเอาคนที่เกลียดมาไว้ในใจเรามุ่งแต่คนที่รักให้ มีเมตตาต่อกันและกันอย่างเงี้ยก็มีส่วนในความเป็นนายเวรกันมาเราก็เข้าใจในข้อนั้นแต่เราจะไม่ทําให้เมตตาจิตของเราเสียหายไปเพราะความเป็นนายเวรที่เขามองเราในแง่ไม่ดีเราจะต้องแผ่เมตตาไปถึงเขานี่คือการแผ่เมตตาโดยที่ไม่เจาะจงก็มีอยู่ข้างหนึ่งในเรื่องของแผ่เมตตาที่พระเจ้าทรงใช้แบบเจาะจงเพราะว่ามีกษัตริย์มัลละคนหนึ่งชื่อว่าโลชะน่าจะเป็นประมาณนั้นถ้าจำไม่ผิด ในวันที่พระองค์ทรงเสด็จไปเมืองกุศินารานะกริย์โลชานี่เป็นเพื่อนของพระอา น, นุ์ถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะชื่อโลชาหรือชื่ออะไรสักอย่างประมาณเนี้ยเป็นเพื่อนพระอา น, นุ์แต่พระอา น, นุลรู้ว่ากษัตริย์คนนี้มันละกษัตรนนิย์ตัวเนี้ไม่ชอบพระพุทธเจ้าไม่ชอบพุทธศาสนาพูดง่ายๆมีปฏิฆะกับพุทธศาสนาทนาีนี้ในเมืองเมืองนั้นน่ะบังคับให้คนออกมาต้อนรับพระพุทธเจ้าไอก้กริย์โรชานี่ไม่ไม่มาบวก ค่าใครไม่มาจะเสียค่าปรับมันยอมเสียค่าปรับไงยอมเสียค่าปรับไม่ออกมันต้อนรับนะ่ะทีนี้พระอานุ์ก็เลยเอ็นดูเพื่อนคนนี้ก็เลยมากราบทูลพุทธเจ้าอาสาทุกพระเจ้าข้าข้าพงมีเพื่อนชื่ อ, อว่าโลชะเขาไม่พึงใจไม่พอใจในพระาศาสดาในพระสมณโคดมในในพุทธในพระตถ า, าคตจะทําอย่างไรหรือพระเจ้าข้าจะให้เขาสามารถสามารถเปลี่ยนกลับมานับถือพระาศาสนาได้ขอพงจง จงโปรดอนุเคราะห์แก่เขาด้วยเถิดพระเจ้าค่ะนะพ่ออนุนกเก่าๆ่างนี้พระเจ้าก็บอกว่าอนุ์เธอไม่ต้องวิตกหรอกเรื่องนี้ไม่เรื่องไม่ใช่เรื่องลําบากของตถาสําหรับตถาคตเลยก็อนุนก็สบายใจปุกจากนั้นมาพวศ ก, ก็เข้าที่สงบแผ่เมตตาไปถึงโลชะคนเดียวเจาะจงไปที่คนเดียวเลยนะไอคนที่ไม่ชอบนั <c oughs> <c oughs> ่นแหละเจาะจงเลยนั่งแผ่เมตตาอยู่ทั้งคืนขนาดระดับผู้ที่เจ้านะยังเอาทั้งคืนเลยนะ <c oughs> <c oughs> ตื่นเช้าขึ้นมากษัตริย์โรชาเปลี่ยนใจ จ, จู่ๆนึกอยากยังไงวะในไหนพระองค์ก็เสด็จมาแล้วอย่างเงี้ยกลับเปลี่ยนใจเองอัตโนมัติในไหนพระองค์ก็เสด็จมาแล้วไปก็ไ ป, ไปวะอย่างเงไปปุ๊บพวกงก็เสด็จเข้าไปสู่ในเมืองรับอาหารบิณฑบาตแสดงธรรมพอสแสดงฟังทำจบด้วยด้วยจิตที่เป็นเมตตาที่พวงทรงแผ่ไปกษัตริย์โรชาอยู่ตลอดเวลาความอ่อนของจิตของกษัตริย์โรชาก็เลยมีในการมีใจที่จะฟังธรรม พอมีใจที่จะฟังทำฟังเสร็จปุ๊บ ก, ก็เลื่อมใส mm hmm. ก็นับถือวัฒนธรรเข้าสู่พระรัตนตรัยรู้สึกบรรลุธรรม้วยมัง้ง mm hmm. สมดับันหรืองประมาณเนี้ยอันนี้คือการแผ่แบบเจาะจงเอารูกคนไหนดื้อก็เอาอย่างงี้แหละ mm hmm. พูดกับมันไม่ได้แล้วแผ่เอาเข้าใจไหมพูดกับมันไม่ได้แล้วแผ่มันแพร่ปหาเยอะๆมีเปลี่ยนกนะ็อาจจะมีเปลี่ยนอยู่นั่นมันต้องมีถ้าทําจริงๆนะ เอาสักสามคืนสามวัน เ, เกินกว่าพระพุทธเจ้าเอาได้อาจจะมีโอกาสมีได้ก็ลองทำดูไม่ลองทำก็ไม่รู้แต่ให้เป็นเมตานะนิดเอยให้มีความสุขความเจริญ<笑><笑>จงเชื่อฟังแม่นะให้ไปที่ไหนก็ให้ถึงจากความเจริญอะไรอเคเนะี้ยงดพูด พูดพูดในเชิงที่ทํานองที่เรียกว่าอบอกเขาควบคุมเขาอะไรประเภทนี้อย่างดพูดให้พู ด, พดแต่ในทางที่ดีมีกายเป็นเมตตามีวาจาเป็นเมตตามีใจเป็นเมตตาใจนี่ต้องประกอบไปด้วยเมตตาอยู่ตลอดเดี๋ยวกายวาจาก็จะเป็นเมตตาเองอ ย, อย่าไปด่าอย่าไปดูไปดูไปดามากมันก็มันยังไงไม่เปลี่ยนอะยังไงก็ไม่เปลี่ยนนะเออมันคนมันไม่เปลี่ยน เมตตานี่แหละที่พอจะทําได้ไอทําในส่วนที่ทําได้หนึ่งใจเราก็จะไม่ไม่เลาะหลอนแต่อย่าทาเพื่อหวังหวังให้มันได้เชื่อฟังเรานะทําให้มันเป็นใจที่เป็นเมตตาจริงๆแยกออกนะระหว่างทําบุญกับแผ่เมตตา อ, อันนี้สงต่างกันอย่างไรี คนที่ภาวานายากๆไแผ่เมตตาไว้มันจะไปได้ง่ายมันก็เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันเนอะคืออตาตมานี่มีคําสอนปูทางไว้แล้วนะจากการที่เรียนมาสมัยเป็นสามเณรมันเวลาเราจะใช้คําสอนอะไรเนะี่ยเราจะมีหลักคําสอนพวกนี้อยู่ในใจอยู่แล้วนะแล้วเราจะดึงมาใช้เราจะรู้เลยว่าใช้บทธรรมข้อนี้แก้จิตอย่างนี้ใช้บทธรรมข้อนี้แก้จิตอย่างเงี้ยมันจะมีความรู้อยู่ข้างในอยู่ ครู้ทางด้านปริยัตินะเอามาแก้จิตเวลาจิตเราเป็นอย่างนี้คุณจะใช้อย่างนี้เวลาจิตเป็นนี้คุณจะใช้อย่าง น, างนี้มันดึงมาใช้ได้แล้วก็ใช้ได้จริงๆในในในทุกอันที่เป็นหลักคําสอนตรงนี้จึงได้เข้าใจว่าหากเรามีความเข้าใจในหลักคาสอนหรือเราทรงจําคําสอนไว้แต่เดิมที่ดีอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องหาครูบาอาจารย์ที่ไหนแกก็เข้าหาคําสอนเลยพรรเพราะคําสอนก็คือครูบาอาจารย์ที่สอนเราแล้วการที่เราทรงจําคําสอนที่โพลทรงตัดสอนไว้ในหลักคาสอน แล้วเราดังมาใช้ก็เท่ากับว่าพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าสอนเราอยู่ตลอดเวลาไปอยู่ที่ไหนก็ตามก็มีพระพุทธเจ้าสอนเราอยู่ตลอดเวลานอกจากบางเรื่องที่ไม่อยู่ในที่พระองค์ไม่เคยตัดไว้ในหลักคําสอนมีบางเรื่องอันนั้นก็จะมีมูลเหตุมาปาการปรากฏขึ้นของพุทธองค์ที่แสดงให้เราได้ทราบเองอันนั้นเป็นเป็นเรื่องการอย่างทราบในภายในอีกเรื่องหนึง่งพอบางทีประสบ การทางจิตที่มันอยู่นอกเหนือหลักคําสอนในพระไตรปิฎกที่ไม่ถูกกล่าวไว้มันก็มีที่ที่อยู่นอกเหนือตํารานะเราก็ต้องอาศัยการอธิษฐานจิตถึงเพื่อให้ทราบในประเด็นที่จะไปแก้ไขการติดขัดของจิตในขณะที่บําเพ็ญภาวนามันก็ใช้ง่ายๆใช้แบบตรงๆกันไปตรงตรงอย่างนี้แหละปรเชิญได้การปฏิบัติเรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันกันนะพระมหาภิกษมักจะใช้ สับนี้เอาแบบตาต่อ ต, ตาฟันต่อฟันกันไปเลยไม่ต้องไปอะไรให้มันยุ่งยากพิจารณาให้มันถึงที่สุดไปเลยเงี้ยประเภทนี้หากเราพิจา่นะมันถึงที่สุดแล้วสส<ส>ก็ในเรื่องที่เราพิจารณาที่มันถึงที่สุดเนี่ยมันจะเป็นความกระเจางแจ้งเป็นตัวสติเป็นตัวปัญญาขึ้นมากับจิตประกอบจิตเป็นองค์ของจิตเป็นคุณสมบัติของจิตเป็นสิ่งที่แนบอยู่กับจิตและจิตดวงนั้นจะมีคุณสมบัตินี้ติดไปตลอดแต่ถ้ามันยังไม่มีสติปัญญาเป็นองค์ประกอบแนบอยู่กับจิต จิตเกิดดับเกิดดับไม่มีคุณสมบัติตัวนี้ติดติดตามไปตลอดมันก็จะเป็นจิตชนิดที่คุณสมบัติเดิมเป็นยังไงสมมติว่าคุณสมบัติเดิมเป็นคนที่ขี้โกรธจิตเกิดดับก็จริงอ่ะแต่ความโกรธไม่ได้เกิดดับมันก็เกิดดับแต่ว่ามันไม่ได้ดับไปพร้อมกับจิตที่ดับลงไปมันจะส่งผลก็เรียกว่าส่งคุณสมบัติของมันไปสู่จิตดวงใหม่ที่เกิดขึ้นมามันก็เลยมีจิตที่ดวงที่โกรธอ ย, อย่อย่างเงี้ยวนเวียนอยู่ในจิตเราอยู่ตลอด แต่ถ้าเราสามารถฝึกพิจารณาและทำความเข้าใจฝึกการใช้เมตตาฝึกในการกล้าเผชิญกับปัญหาฝึกในการยอมรับปัญหายอมรับสัจจะ ย, ยอมรับความจริงเราก็มีคุณสมบัติของจิตในด้านนี้เวลาเราเจอหรือรเผชิญหรือกระทบกับอะไรก็ตามเราก็จะสามารถมีคุณสมบัติในการยอมรับในการกล้าเผชิญในการแก้ไขปัญหาในสิ่งเหล่านี้ได้ แล้เข้าใจความจริงมากขึ้นในชีวิตชีวิตเราจะอยู่ความเป็นจริงไปตลอดเนี่ยคือทางสายกลางทางสายกลางไม่ใช่ว่าไปทําอะไรที่ที่เขาทากันนะทางสายกลางมันเป็นแบบนั้นเป็นเรื่องความเห็นนะทางสายกลางมันไม่ใช่ว่าไปไปทําไปไปตีกรอบให้ทําในอันใดอันหนึ่ ง, งมนมันไม่ใช่อย่างนั้นทางสายกลางคือเป็นเรื่องความเห็น เห็นอย่างไรจึงให้ทานเราเห็นอะไรเราถึงจะให้ทานเราเห็นอนิสงค์ด้วยเห็นคุณค่าของบุญเราจึงให้ทานเหรอเห็นแล้วว่าถ้าใทานแล้วได้บุญอย่างนี้เหรอเราจึงให้ทานเห็นอย่างไรจึงรักษาศีลเราเห็นว่าเออศีลนําสู่สวรรค์เราจึงรักษาศีลเห็นอย่างนี้เหรอเห็นอย่างไรจึงได้ทําการภาวนาทําสมาธิเรามีความเห็นอย่างไรหากเราไม่มีความเห็นที่ถูกต้องแล้วเราไปให้ทานรักษาศีลทําสมาธิภาวนา โดยที่ไม่ไมีเมตต่างความเห็นนี่ถูกต้องมันไม่ใช่ทางสายการเพราะทำบุญทำให้ให้ทานก็จะติดอยู่ทานรักษาศีลก็จะติดอยู่กับศีลทำสมาธิก็จะติดอยู่กับสมาธิเพราะไม่มีความเห็นอันเป็นทางสายกลางคอยปรับจิตให้อยู่ในกเรียกว่าอยู่ในการควบคุมเราให้ทานเนี่ยโดยยึดถือผลทานเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าเป็นธาตุของทาน ตกเป็นธาตุทองทานทําทานเพื่อให้ผลให้ได้รับผลทองทานเป็นธาตุทองทานคื อ, อยังไงอะทำทานมันได้ผลอยู่แล้วนะอย่ายอมตัวเป็นธาตุทองทานผู้บอกให้จงเป็นนายเหนือทานเป็นนายเหนือทานอาศัยทานเนี่ยเป็นเครื่องพาเราไปสู่ทางออกจากวัฏฏะท่านั้นเองเหมือนกับผูกผูกเรือวูแพรเพื่อที่จะขี่เรือแพไม่ใช่ไปผูกเรือวูแพร แล้วก็เอาแพรเรือแพนั้นเก็บไว้ไม่ยอมเอาลงน้ําขี่ไปข้ามฝฟากอย่างเงี้ยเรียกว่าผูกสร้างเรือไว้ใหญ่แค่ไหนเอาไว้ที่หน้าบ้านเอาไว้ประดับใครมาเห็นโว้เรือใหญ่ยังเว้ยก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรไม่ได้เอาลงไปพายน้ําเอาข้ามฝฟากเนี่ยไม่มีประโยชน์เพรา้ยึดติดในทานยึดติดในศีลยึดติดในสมาธิอย่างเงี้ย พี่เจ้าบอกว่าเราผูกเรือผูกแพรสร้างเรือสร้างแพขึ้นมาโดประสงค์ก็เพื่อเอาลงน้ําเพื่อพายไปสู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งที่ไปสู่ฝั่งอันปลอดภยัยตรงเนี้คือสาระสาคัญของการให้ทานเรามีความเห็นอะไรจึงให้ทานเห็นว่าทานจากเป็นเครื่องหนุนจิตของเราไปสู่พระนิพพานทพรานั้นสิ่งที่เราปรารถนาคือพระนิพพานไม่ได้ปรารถนาผลทานผลทานนั้นมันได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นเหตุปัจจัยที่ต้องส่งผลตามตาม อะไรตามตามการกระทำใช่ไหมล่ะกระทําสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นตามเหตุเหตุแห่งการกระทําชีวิตของเราก็เป็นไปนเหตุตามเหตุแห่งการกระทําศีลรักษามันก็ดีอยู่แล้วก็เป็นผลสร้างเหตุไม่ต้องปาถนาไม่ต้องเรียกร้องให้ได้ผลสิ่งเหล่านั้นรักษามันก็ได้ผลได้รับผลอยู่ในสิ่งที่ขณะที่ทําแต่เราจะเอาศีลตัวนี้เป็นเครื่องผักดันหนุนกิดหนุนกิตเป็นพาเครื่องพาเราไปไปสู่การออกจากวัตฏะทําสมาธิก็เพื่ออ อ, อกจากวัตฏะไม่ได้ยึดตัวสมาธิ จเจริญปัญญาก็เพื่อออกจากปะตะัตตเมื่อได้ยึดถึงปัญญามางคลไปยึดตัวปัญญาตัววิปัสนาณั่นแหละตัวปัญญารู้เข้าใจในสภาวะที่มันเกิดขึ้นกับจิตแล้วก็ยึดในสภาวะที่เกิดขึ้นกับจิตนั้นเป็นตัวรู้เป็นตัวสมบระงล้วคับเป็นองค์คุณเครื่องแห่งการบรรลุใช่เขาอาจจะบรรลุวิปัสนาแต่เขาไม่ได้บรรลุในมรรคผลวิปัสนานี่มันมีมันส่งผลคล้ายกันกับมรรคผลเลยนะมันจะให้ คุณลักษณะคล้ายๆกันคือความสงบของจิตจิตที่ปราศ จ, จากกิเลสจิตที่ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีเครื่องก่อกวนใจให้ได้รับความทุกข์องค์วิปัสสนาทําหน้าที่อย่างนั้นแต่ไม่ทําหน้าที่ในการรู้นิพพานการที่จะรู้นิพพานได้ต้องรู้ได้มรรคยา น, นมรรคจิตมรรคยานผลญาณ มัคคายานผลรยานก็มาจากวิปัสสนาญาณอย่างหนึ่งแต่วิปัสสนาญาณที่จะทําให้เกิดมัคคายานและผลระยานเป็นมรรคผลได้รู้ทำพระนิพพานให้แจ้งได้นั้นก็ต้องมารู้จากอริยสัจสี่คือรู้ทุกที่ตัมมาสอนมาตลอดนี่แหละอัตมาพยายามจะสอนตัวนี้เพื่อให้เรามันเกิดเป็นคุณสมบัติในจิตถ้าจิตเราม่มีคุณ ส, สมบัติพวกเนี้นะติดอยู่ในจิตแล้วมันเกิดอีกมันก็ส่งผลต่อไปในจิตดวงต่อไปนะ มันจะส่งผลไปเรื่อยส่งผลจนข้ามภพข้ามชาติจิตดวงนั้นจะมีคุณสมบัติตัวนี้ติดตัวข้ามภพข้ามชาติจะไปชาติไหนก็ตามคุณสมบัติดวงนี้ก็จะไปกระตุ้นเตือนจิตให้เกิดการปฏิบัติให้เกิดการศึกษาเรียนรู้พวกเราปฏิบัติกันมาไม่ได้ปฏิบัติเพียงแค่ชาตินี้นะนี่เราศึกษาเราเจอเวทศาสนามาเราไม่ได้เจอเพียงแค่ชาตินี้ชาติเดียวเราไปเจอมาแล้วไม่รู้กี่ภพกี่ชาตินะเรามาเจออีกในชาตินี้เราจึงพอใจไงที่จะยึดถือปฏิบัติตามในหลักศาสนาเจอตามามาก็ไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียว แล้วได้ฟังอตาตมาพูดมาเนี่ยไม่ได้ฟังแค่ครั้งเดียวคนเดียวในในภพชาตินะฟังกันมาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่อดีตชาติอาจจะสอนผิดสอนถูกกันมากไงพากันมั่วไปหมดก็มีนะบางทีแต่ชาตินี้ยืนยันว่าไม่มั่ว ย, ยืนยันชาตินี้นี่แน่ใจว่าสอนได้แน่นอนแต่สอนได้ถูกต้องแน่ใจในตัวเองเพราะถ้าชาติก่อนมันสอนถูกก็พากันหลุดไ ป, ไปแล้วไม่มาเจอกันหรอก แตชาติหน้าไม่เจอกันแน่แต่ใครอยากจะเจอก็กไม่มีทางใครอยากจะอยู่เจอกันก็เจอกันเนอะโยมบุญมีกับเอามาใส่หัวอะไรการไม่เจอกันมีอยู่สองลักษณะ น, นะลักษณะนหนึ่งคือนิพานไปเลยดับไปเลยไม่เจอกันอีกอีกลักษณะนหนึ่งกูงไม่อยากจะเจอมันอีกกี่ชาติกี่ชาติอย่างเงี้ยประเภทนี้นะ เอาหนะ้ามีบางคนอยากจะเจอกันก็มีพระพุทธเจ้าก็บอกอยู่บอกว่าคนที่ชื่นชอบในวัตาตก็มีอธิษฐานผูกพันกันขอให้เจอกันทุกภพทุกชาติไปอันนี้ก็ก็มีเป็นส่วนที่ดีก็คือคนที่พอใจในวัตต์กับอีกบุคคลหนึ่งที่ไม่พอใจในวัตต์ก็มีก็มันมันเป็นอาทยาศัยของจิตแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ทั้งคนทั้งสองประเภทอาศัยพุทศนาในเป็นเครื่องดําเนินเนี่ยในชีวิตในวัตต์เนี่ยได้เราต้องมองชีวิต ในวงกว้างอย่าในมองชีวิตเพียงแค่ชาตินี้เราเดินเส้นทางในวัฏฏะสงสารเนี่ยเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายมาเนี่ยเราเดินมาเราผ่านพบผ่านชาติมาผ่านนรกผ่านสวรรค์มาเราเดินผ่านมาแล้วดวงจิตของเราที่เป็นอยู่ในเวลานี้ที่ยังอยู่ในร่างกายเราอยู่ในภาพพบพภ พ, พชาติความเป็นมนุษย์อยู่ในตอนนี้ผ่านทั้งนรกผ่านทั้งสวรรค์มาแล้วเวลาเราพูดถึงนรกเราจึงไม่อยากจะไปไง ท, งทั้งที่เราไม่เคยเห็นมันหรอกนรกเป็นยังไงแต่พูถึงปุ๊บสะดุ้งแล้ว ให้ไปนรกไปไหมเนื้ อ, อไม่ไปเอาเคยเห็นเลยนรกเป็นยังไงไม่เคยเห็นแต่รู้เลยว่าซึ้งอยู่ในใจอยู่แล้วว่ามันจะต้องเป็นที่ทรมานแน่เป็นที่เดือดร้อนเป็นที่ทุกข์ยากลําบากแน่อย่างนี้ใช่ไหมละ่ะสวรรค์อยากไปไหมอยากเพราะเราเคยผ่านมาแล้วว่ามันสุขสบายอย่างไรมันจะบอกออกมาเองในจิตในใจแม่ไม่เคยเห็นก็ตามนิพพานละ่ะไม่เข้าใจเพราะไม่เคยไปเพราะคนที่ ไปพระนิพพานไปแล้วจะไม่มีการกลับมาสู่โลกมนุษย์นี้อีกตลอดกาลยืดยาวนั้นไม่ปรากฏอีกในที่ใดๆไปนิพพานแล้วไม่มีทางกลับมาสู่โลกนี้ได้ไปสวรรค์ยังกลับมาสู่โลกได้ไปปรมก็กลับมาสู่โลกมนุษย์นี้ไร้ไปนรกก็กลับมาสู่โลกมนุษย์นี้ได้ไปเป็นเปรตพิภีสัตว์ก็วนเวียนกลับมาสู่โลกมนุษย์นี้ได้ตามการอํานวยของบุญกรรมที่ได้กระทำมาอย่างเงี้ยประจวบเหมาะที่จะได้เป็นมนุษย์ก็มาเนี่ยแต่ไปนิพพานไม่มีการประจวบเหมาะที่จะมาเป็นมนุษย์อีก นิพพานคือดับสนิทถาวรไม่บังเกิดอีกในที่ไหนนแต่ไม่ขาดศูนย์ไม่ขาดศูนย์เด็ดขาดถามว่าไม่ขาดศูนย์ก็ยังมีอยู่สิอันนั้นเป็นความคิดมีหรือไม่มีไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับการพูดว่ามีหรือไม่มีอยู่นอกเหนือการพูดว่ามีหรือไม่มีแต่ไม่ขาดศูนย์แน่นอนอย่างเงี้ยคือสภาพของนิพพานเพราะนั้นเราจึงเราไม่เคยผ่านนิพพานมา แต่เราเดินมาในวัตตะเนี่ยเราผ่านมาหมดแล้วแหละนรกสวรรค์เปตผีปีศาจสุรกายสาัตว์เดรัจฉานพรมโลกพรมโลกนี้อาจจะยังไม่เคยเพราะคนที่ผ่านพรมโลกมาเขาจะทําฌานได้ง่ายทําสมาธิและฌานได้ง่ายพวกนี้จะเคยผ่านพรมโลกมาเคยอยู่ชั้นพรมมาก่อนเพราะพวกนี้จะเสพฌานกินฌานเป็นอาหารทีนี้มาปัจจุบันนี้เราได้อยู่เดินอยู่ในโครจรของมนุษย์ พบวงโคจรของโลกมนุษย์มีอายุหนึ่งรปีที่เราเป็นอยู่ในวันหนึ่งคืนหนึ่งที่มันวนเวียนอยู่กับชีวิตเราเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งที่ดับไปล่วงไปล่วงไปล่วงไปมันดับไปดับไปอย่างเงี้ยเราจะให้ชีวิตเราเดินไปอย่างไรอีกในภายภาคหน้าในวัตตะที่เราจะเดินไปในภายภาคหน้ามองอย่างนี้ไงเพราะเรามองอย่างนี้ไปเราจะเห็นเห็นภาพของชีวิตเลยว่าเราต้องการจะเดินไปที่ไหนอีก สวรรค์เราก็เคยเคยผ่านมาแล้วมันไม่พาเราพ้นทุกภพมรรคเราบางคนก็อาจจะเคยผ่านมาแต่ก็ไม่ได้พาพ้นทุกเบพีปีศาจสุรกายก็ไม่ได้พาพ้นทุกจะพ้นทุกได้ก็ตอนที่เราเป็นมนุษย์โอกาสที่จะเป็นมนุษย์ขณะนี้อย่าปล่อยให้ขณะนี้แห่งความเป็นมนุษย์นี้ล่วงไปเฉยๆพุทธเจ้าว่าอาศัยขณะแห่งความเป็นมนุษย์อันประเสริฐนี้สร้างคุณค่าให้แก่ดวงกิดดวงใจดวงกิดดวงใจนี้ออกจากร่างนี้ไปสู่อีกร่างนึงเนี่ย อย่าปล่อยให้มันไปโดยไม่มีคุณสมบัติที่ดีติดตัวมันไปให้มันมีคุณสมบัติที่ดีติดตัวมันไปแม้อาจจะยังไม่พ้นจากอาสวะกิเลสก็ตามแต่คุณสมบัติในการสั่งสมธทมฝึกพิจารณาธรรมปฏิบัติตามธรรมอย่างเงี้ยติดติดมันติดมันก็จะติดนะกิเลสมันยังติดกับจิตกับใจได้เลยทำก็ติดกับจีตกับใจไปได้ให้ธรรมะมันติดกับใจเราเพื่อเอาไปแก้กันอีกในพบหน้าหากเราไม่มีธรรมะ ให้ติดอยู่กับจิตใจในเวลานี้เราจะเอาอะไรไปแก้กิเลสในภพหน้าแก้ทุกข์ในภพหน้าบุญแค่เครื่องอํานวยแต่การที่จะดับทุกข์จริงๆมันต้องอาศัยธรรมะเท่านั้นให้มันมีธรรมะเนี่ยแม้ไม่ได้เป็นตัวธรรมะที่เราบรรลุในในชาตินี้นะเหมือมนนางวิสาขาที่บรรลุโสดาบันแล้วไปเกิดอีกชาติไหนก็ตามเขาก็สบายแล้วไงมันก็เป็นไปในภพหน้าอย่างเดียวเป็นไปในภพบเบื้องบนที่ไม่ตกต่ําอีกจนกว่าจะเข้าสู่นิพพานไม่เกินชาติที่7 นี่ไม่เกินชาติที่แปดเจ็ดชาติแต่เขาก็ปราฐานะอย่างนั้นนะนางวิสาขาก็ปฎาฐานาอย่างนั้นเป็นพระอริยบุคคลที่พอใจในวัตต์คือนางวิสาขาคือบรรลุเป็นโสดาบันแล้วไม่อยากจะไปพันิพานง่ายๆนะเพราะอะไรมีลูกก็ตั้งยี่สิบคนใช่ไหมล่ะมีหลานก็ต้องยี่สิบคนลูกนางวิสาขามียี่บคนนะนางปฎิฐานาเองปฎิฐานะ มีหลานก็ตั้งยี่สิบคนหลานของหลานอย่างละยี่สิบอีกทีน่นี่ลูกของหลานลลูกของลูกลก <c oughs> ย็ยังรักลูกรักหลานห่วงลูกห่วงหลานอยู่อย่างเงี้ยพระโสดาบันนะแต่เขากเข็เขาก็ยินดีในตามคัมภีรยกรที่พรมทรงบอกไว้ว่านางวิสาขาจาัด เ, เป็นใหญ่อยู่นูน่นเทวโลกชื่อว่า นิมมาราตีหรือเป่าหรือ巴拉นิมิตาสวัสดีนิมมารตีสวรรค์ชั้นนิมมาลดีหรือป拉นิมิตาสวัสดีนี่แหละนิมมาราตีประมาณนี้ um จะเป็นใหญ่อยู่ที่นู่นแล้วอยู่ตรงนู้นอีกยืดยาวนานนะก็จะดับจากตรงน้นไปสู่พมบรโลกอีกแล้วอยู่ที่พมบรโลกชั้นอวิหารอีกยืดยาวนานก็ดับจากชั้นอวิหาไปสู่ชั้นอตตปาอยู่อย่างเงี้ยเพราะเขายังพอใจในวัฏฏยังพอใจในการที่จะเกิดอยู่ หากญาติที่เป็นมนุษย์ลงมาเกิดในโลกมนุษย์นี้เดือดร้อนนากวิสาขาที่อยู่บนเทวโลกคำนวณดูว่าจะช่วยญาติยังไงวะก็ะจะแวบลงมาช่วยบรรดา น, นั้นบรรดา น, นี้ให้ให้นากวิช า, าสมัยสมัยเป็นคารวาสสมัยที่พงยังทรงเขชนอยู่กำชับลูกกำชับหลานเลยนะกำชับไว้เลยว่าเป็นเป็นกิจสาคัญเลยว่าอย่าทิ้งการให้ทานกำชับไว้เล ย, เลย ทั้งตระกูลแล้วก็นางวิสาขาอย่าทิ้งการให้ทานมีหญิงนางหนึ่งที่นางวิสาขากันชับแบบยังไงจนนางเนี้ยทาให้เป็นนางวิสาขาเป็นผู้เป็นผู้พอใจในด้านการให้ทานนะเป็นหลานคนหนึ่งที่นางวิขาสาขาสั่งอะไรก็ทํามางั้นได้เป๊ะตามที่นางวิสาขาสั่งเลยเรื่องการให้ทานนนะทําเป๊ะเลยจนนางนี้ไม่มีเวลาพักผ่อนเพราะทําทแต่ให้ทานอย่างเดียว ไม่ต้องทำอะไรอะ่ะให้ทานอย่างเดียวเพราะว่าไม่ต้องไปทําการทํางานทรัพย์สินเงินทองนางวิสาขาหาให้หมดแล้วจะเอาเรวยแค่ไหนเอาเงินนะ่ะเรื่องเงินเนี่ยนะเพียงแต่ว่านางวิสาขาต้องการหาคนทําทานแทนนางเท่านั้นเองก็ได้นางหลานคนเนี้ชื่อพัฒนาหรือสุพัฒนาเนี่ยประมาณเนี้ไม่มีเวลาทําแต่ทานอย่างเดียวตายอายุในน้อ ย, อย แ, แต่ตายนางวิสาขาเสียใจมากเสียใจทุกใจเศร้าใจ ใช่รัพุทธเจ้าอยีกแล้วนี่แหละคือโทษของแม่พระโสดาบันเองก็ตามนะเวลามีการตายจากกันไปพัดผ่าจากคนที่เป็นที่รักเนี่ยก็ยังต้องมีความเศร้า อ, อกเสียใจอยู่เป็นความเศร้า อ, อกเสียใจใชนิดที่เป็นความเศร้ยาโศกพิลีพิาลพิํำพันธ์ก็เป็นความทุกข์ในใจอย่างหนึ่งแต่องค์คุณเห็นความเป็นโสดาบันก็ทําให้เขาไม่ต้องไปสู่อบายภูมิเป็นชาวบ้านชั้นดีระดับดีที่ไม่ต้องไปสู่อบายภูมิแล้ว พุทธเจ้าจึงบอกว่าพระโสดาบันถึงแม้จะมีความประมาทอย่างแรงกล้าก็ไม่ถือเอาภพที่แปดอย่างี้ยังไงก็เป็นไปในภพชาติในเจ็ดภพเจดชาติเนี่ยคือเรื่องราวของวัตตะสงสารที่ชีวิตเราไม่ใช่เพียงแค่ชาตินี้แล้วหลักคำสอนที่บอกว่าชีวิตเราไม่ได้บีงเพียงแค่ชาตินี้ไม่ใช่คำสอนที่ไร้เหตุผล ถึงแม้ว่าเรื่องอดีตชาติไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้ทางด้านหลักวิทยาศาสตร์ก็ตามแต่มองตามหลักเหตุผลว่าทุกอย่างมันมีเหตุจึงมีผลมาเราก็ต้องเอาอดีตมาอธิบายเหตุผลในปัจจุบันเอาเรื่องของเมื่อวานมาอธิบายในเรื่องของวันนี้เอาเรื่องของวันนี้อธิบายในเรื่องของวันพรุ่งนี้เอาอดีตเป็นเครื่องอธิบายในปัจจุบันอดีตชาติในปัจจุบันพบเอาปัจจุบันเนี่ยเป็นเครื่องอธิบายอนาคตพู้องค์จึงเกิด ภูเบนใวาสานุสิติยานจุตูปปาตายานในการรู้รู้อดีตชาติการความเป็นอยู่ของสัตว์รู้ว่าบุคคลกระทํากรรมชนิดใดในโลกนี้แล้วไปจุติในภพหน้าด้วยการกระทําที่กรรมกระทําในปัจจุบันนี้อย่างไรคือฆ่าสัตว์ไปเกิดที่ไหนลักทรัพย์ไปเกิดที่ไหนประพฤติในการไปเกิดที่ไหนดื่มสุราไปเกิดที่ไหนโกหกไปเกิดที่ไหนรู้การไปการจุติอย่างนั้นจริงๆคือรู้เห็นจริงๆว่าเหมือนคนเดินออกจากบ้าน นี้ไปสู่อีกบ้านหนึ่งนะคือการตายของคนนะนะเห็นว่าอ๋อเดินออกจากมนุษยโ์โลกไปไปสู่นรกโลกไปสู่เปตตาโลกไปสู่อสุรกายโลกไปสู่สัตว์เดรัจฉานโลกไปสู่เทวโลกไปสู่พรมโลกเหมือนคนเดินออกจากบ้านไปอยู่อีกบ้านหลังนึงเดินออกจากบ้านหลังนี้ไปอยู่อีกบ้านหลังหนึ่งเดินออกจากร่างกายนี้ดวงจิตเนี่ยมันออกจากร่างกายนี้ไปสู่อีกกไอนึงการตามพบภูมินี่คือสิ่งที่วงทร ง, ทรงเห็นอย่างนี้เห็นด้วยที่ประจักษุดด้วยยาน เห็นด้วยการทราบในจตูปปาปัตยานและปุเบนิวาสานุสติยานรู้เห็นอย่างนี้ก็นํามาบอกตามสิ่งที่รู้ที่เห็นไม่ใช่การดนเดาเอาหลากักคําสอนจึงประกอบไปด้วยเหตุผลในการที่จะบอกสอนพวกเราทั้งหลายให้ทราบในความเป็นเป็ น, ปนไปในวัตฏะว่าวัตฏะมันเป็นอย่างนี้แหละเราจะให้ชีวิตของเราเดินอยู่ในวัตฏะอย่างนี้ซ้าําๆำซักซ ในการระยะเวลาที่เขาเราก็เคยเป็นมาแล้วเป็นเส้นทางระยะเวลาที่ยืดยืดยาวนานมากเดินมาเดินมายาวไกลมากแต่ละคนนี้นะเป็นนักเดินทางกันนักท่องเที่ยวกันสังสารวัตรสังสาระแปลว่าการท่องเที่ยวคนเรามันจึงติดเที่ยวกันเที่ยวไปนู่นเที่ยวไปนี่แวะเวียนไปหาคนนั้นแวะเวียนไปหาคนนี้จริงๆก็เป็นพบพบหนึ่งแล้วนะม า, ามาหาตมานี่ก็พบหนึ่งแล้วนะสุขติพบ หรือใครจะเอาทุกขติอ๋อจริงๆก็สร้างสุขติภพที่ดีไว้ได้ฟังนี้ก็คือเป็นภพภพแล้วนะเสียงธรรมะที่สัมผัสกับหูเนี่ยเกิดเป็นสุขติภพไว้ให้เราแล้วแล้วเราก็ต้องเดินไปสู่ภพนั้นภพก็คือบ้านเราเนะี่ยบ้านอีกหลังนึงแล้วเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยชั่วคราวเป็นเป็นจุดของการสร้างเหตุเหตุที่เราจะได้เป็นไปในภพนั้า หากสิ่งที่เราสัมผัสเราเกี่ยวข้องเราฟังมันเป็นไปเพื่อพระดิพานมันก็จะดับพบเพราะไม่มีพบตั้งอยู่เราฟังไปฟัปงไปนี้ทุกเออนี่ก็ทุกนี่ว่าการการเกิดการแก่การเจ็บการตายความเป็นอยู่นี่ก็คือทุกจะไปเกิดเป็นเทวดาก็เป็นทุกไปเกิดเป็นพรมก็เป็นทุกมันดับแล้วทีนี้ดับพบแล้วเพราะการรู้ว่านี้ทุกเนี่ยมันจะดับพบพบจะไม่บังเกิดขึ้นนี้เหตุให้เกิดทุกคือการเกิดแล้ ว, ล ว, ลวเกิดอีกนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดทุก นี้คือความดับไปของทุกคือการไม่ไม่เกิดในพบไหนไหนการที่เราจะไม่เกิดในพบไหนไหนก็คือมองเห็นเป็นทุกนั่นแหละเพราะฉะนั้นหลักความเห็นคือทางสายกลางที่มองแล้วเรามามองเห็นอะไรเราจึงให้ทานมองเห็นทุกเพราะมันมีทุกเราเราไม่ให้ทานมองเห็นเหตุให้เกิดทุกว่าเกิดอีกเมื่อไหร่เพราะไม่เคยทําบุญให้ทานอย่างนี้นั่นแหละมันจึงได้รับทุกอย่างนี้ เพราะไม่ได้รักษาศีนนั่นแหละมองเห็นความทุกข์เพราะเห็นความทุกข์เลยจึงมารักษาศีลพุกที่จะเป็นไปในอบายภูมิทุกเพราะฆ่าสัตว์ทุกเพราะรักทรัพย์ทุกเพราะพิร์เพื่อพิจิตร์ในการทุกเพราะโกหกเพราะทุกเพดื่มสุรามองเห็นทุกที่จะเป็นไปในเบื้องหน้าอย่างนี้จึงรักษาศีลมองเห็นทุกเกิดจากการที่จิตเราไม่ตั้งมั่นจิตที่ไม่ตั้งมั่นถูกอะไรกระทบเอ็นเอียงไปตามอารมณ์นั้นเย มองเห็นทุกนั้นก็มาฝึกจิตให้ตั้งมั่นไม่เอ็นเอยียงไปตามอารมณ์ไม่เขาเรียกว่าถูกกระทบด้วยเรื่องใดๆก็ตามจิตก็สามารถตั้งมั่นสงบนิ่งอยู่ได้ไม่เป็นไปตามใ น, ในสิ่งที่มากระทบนั้นอันเนี้ยการที่เราฝึกเห็นอย่างเงี้ยเห็นความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะเราเมื่อเรามาฝึกมันก็เป็นเหตุให้ดับทุกข์เมื่อเป็นเหตุให้ดับทุกข์มันก็เป็นดีโลธ การฝึกตัวเองด้วยการให้ทานรักษาศีลทำสมาธิฝึกปัญญาอีกทีนี่ปัญญาในการคิดใครควรในหลักของอริยสัจ ส, สีอย่างนี้ให้วนเวียนอยู่ในจิตเห็นทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นความดับไปของทุกข์เห็นทางปฏิบัติที่ถึงความดับทุกข์มีความเห็นอย่างเงี้ยวนเวียนอยู่ในจิตแล้วให้ทานรักษาศีลทำสมาธิหรือให้ทานได้อย่างเดียวรักษาศีลยังไม่ได้ก็ไม่เปไ็นไรก็เห mm. ็นทุกข์ในเรื่องของการให้ทานอย่างเดียวก็ได้เพราะการเห็นอย่างนี้มันจะเป็น ตัวดึงเราออกจากภพไม่ให้เราไปสู่ภพหากรักษาศีลได้ก็ยิ่งดีทีนี่มันก็ยิ่งเพิ่มพูนช่องทางที่จะพาเราออกจากกองทุกได้ง่ายขึ้นทําสมาธิก็ยิ่งดีทีนี่แต่หากเราเห็นทุกเห็นเหตุให้เกิดทุกเห็นความดับไปของทุกเห็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกเป็นเรื่องของความเห็นเป็นทางสายกลางอยู่ในจิตวนเวียนอยู่อย่างนี้อยู่ตลอดเวลามันจําเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาอยู่ในนั้นเองอัตโนมัติ เป็นอัตโนมัติอยู่แล้วมันก็จะดับพบดับพบดับพบดับพบไปในขณะที่เราเห็นมีความเห็นถ้าเราตั้งความเห็นไว้อย่างนี้ตลอดทําการงานไปยูแมวก็ด่าลูกน้องบ้างก็หนี้ทุกอย่างเนี้ยลูกน้องขัดใจก็นี้ทุกอย่างเนี้ยลูกน้องมาไม่ตรงเวลาก็หนี้ทุกแทนที่จะด่าลูกน้องก็หนี้ทุกในใจตัวเองก็ทุกที่เกิดจากการด่าก็ไม่มีก็มีแต่เห็นทุกในใจตัวเองมันก็สงบแล้วครับ พบก็ไม่เกิดขึ้นถ้าเราด่าไปเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพิ่มเราทุกข์ด้วยเพราะด่าสองเขาทุกข์ด้วยเพราะถูกด่ด า, ส า, ดดาสามเวรก็เกิดเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เวลามันจะไปเวลามจะสื่อต่อวะะ่าต่างมันสื่ต่อกันอย่างนี้แหละเวลาจะหยุดวะะ่าต่างก็หยุดอย่างนี้แหละหยุดเห็นทุกข์ในใจเราเขาก็ทุกขนะ์เนาะแล้วเขาก็ไม่อยากจะทุกข์ด่าไปก็ทุกข์กันเปล่าๆทีนี้ก็บอกเอ๊ะถ้าไม่ดา่างานก็เสียจะทําไง ก็ก็พูดคุยกันประชุมกันจะเอายังไงเพื่อให้งานของเราไม่เสียให้องค์กรของเราเป็นไปได้แล้วกเ็เป็นองค์กรที่อเป็นองค์กรที่ทำงานสอดคล้องกันร่วมใจกันสา ม, มัคคีกันรักใคร่กันทำงานสํำเร็จแต่คนเกลียดกันชิบหายก็มี <c oughs> อ้าวจิ้งจิ้ง <c oughs> คนอะไรนะค น, คนไม่สําราน <c oughs> งานสาเร็จ แต่คนไม่สำลันมันสําเร็จได้ด้วยน้ําตาคุณที่ยาบอกว่าทานที่บังคับให้ด้วยน้ําตานะคือพระราชาบังคับชาวบ้านให้ทานอย่างเงี้ย่ทานที่บังคับให้บังคับคนอื่นไปให้ทานแม้จะให้ทานแก่ตถาคตก็าตามทานนั้นไม่มีผลมากไม่มีอริสงมากบังคับให้บังคุดเลนเลี่ยอะไรอะไรประเภทเนี้ยเป็นทานที่ไม่มีผลมากไม่มีอริสงมากพุณที่ยาว่า หากจะเป็นการให้ทานที่มีผลมากมีอาไรสง์มากต้องเป็นการให้ด้วยเจตนาต้องการให้ด้วยตัวเองจริงๆเต็มใจให้จริงๆัาคับกันไม่ได้เรื่องนี้ให้ไปก็มีผลไม่มากเปรียบเทียบกับการทำงานเห็นไหหลักคามันสามารถใช้ใช้กับชีวิตจริง ในการทำงานได้แต่ชีวิตจริงเอาจริงๆไม่รู้หลักธรรมมันหายไปไหนมันไปด้วยกันไม่ได้ไม่เอาไปใช้ด้วยกันมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมันก็เป็นอย่างนี้หมดมีอะไรแม่แม่จันทิพย์ มีใครถามเข้ามาไหมล่ะนี่มีไหมถามกันเข้ามาหรือเปล่าฮะก็ดีนะได้ฟัง มีคนสงสัยว่าเวลาบรรลุธรรมเขาบรรลุกันยังไงพระอาจารย์เขาว่าเนี้ยเคยมีคนมาถามไม่รู้จะที่ใบยยงไงเนาะการบรรลุธรรมถ้าจะเปรียบเทียบขม้นมาว่าเราเคยได้ยินได้ฟั ง, ฟงคนที่พูดพูดถึงเรื่องราวเรื่องใดเรื่องราวหนึ่งเอาเช่นอย่างเนี้ คนพูดถึงคนที่ไปญี่ปุ่นกลับมาแล้วมาพูดเรื่องราวที่ญี่ปุ่นให้ฟังเราก็มีแค่ความคิดภาพของความคิดที่เมืองญี่ปุ่นใช่ไหมล่ะแต่เรายังไม่ได้เห็นเราก็มีภาพความคิดอย่างนั้นอยู่ในความคิดแต่พอเราไปญี่ปุ่นแล้วเราได้เห็นแล้วไอ้ความคิดนี่หายไปแล้วสิ่งที่ประจักษ์ในสิ่งที่เห็นนั้ น, ม, นมันชัดกว่าความคิดที่เราคิดไว้ขาดเดาไว้การบรรลุสัพธรรมก็ เป็นอย่างนั้นคือเป็นการประจักษ์ชัดการเข้าไปเห็นความจริงแต่ก่อนเราฟังเราฟังจากภาษาสดาเองสอนจากสาวกสอนจากครูบาอาจารย์สอนสอนมาว่าไงนิพผานเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พอสัมผัสการนิพานแล้วมันเป็นการประจักษ์ชัดยิ่งกว่าการฟังมันชัดเจนยิ่งกว่าการฟังมันไม่ใช่เรื่องตึกนึกไม่ใช่เรื่องคาดคณีไม่ใช่เรื่องค า, าดเดา เป็นการบรรลุถึงคือการประจักษช์ชัดภายในจิตตัวเองโดยที่ไม่มีความสงสัยการปฏิบัติ ท, ที่ยังไม่บรรลุจะมีความสงสัยอยู่ตลอดนี่ผ่านเป็นยังไงนี่ผ่านเป็นยังไงจะสงสัยอยู่ตลอดแต่พอประจักษช์ชัดแล้วไม่สงสัยนี่ผ่านเป็นยังไงเพราะมันชัดคือมันรู้เห็นชัดอยู่ภายในจิตตัวเองอยู่แล้วมันไม่สงสัยให้ความสงสัยมันหายไป อย่างพวกเราบรรลุกันแล้วมั้งนไม่มีใครสงสัยสักคนฮะถามมาสงสัยอะไรไหมไม่สงสัยบรรลุ ก, กันหมดถ้าบรรลุ ก, กันหมดนี่ก็ไม่จะสอนอะไรแล้วคนถ้าบรรลุเหมือนกันก็ไม่สอนกันของใครของมันแล้วทีนี้ของใครของมันใครแต่ละคนประจักษ์ชัดอะไรก็หรือว่าบรรลุแต่ทุกข์อะประจักษ์ชัดแต่ทุกข์เลยแต่ละวันเจอแต่ทุกข์อะ แต่ดับทุกนี้ยังไม่ประจักษ์อ๋อเป็นอย่างนั้นถ้าประจักษ์ชัดแต่ทุก็เรียนรู้ทุกไปก่อนเอาทุกนี้เป็นเครื่องเรียนรู้มันทุกอยู่แล้วแหละมันไม่ให้ทุกไม่ได้ไม่อยากจะมีทุกไม่ได้มันต้องทุกเป็นเรื่องที่ต้องทุกเป็นสิ่งที่มันต้องทุกเป็นความจริงที่ต้องทุก เป็นเรื่องที่เราจะต้องเผชิญเพราะศาสดาก็บอกให้เรารเผชิญนะเมื่อเรารเผชิญกับความทุกข์ได้ก็สิ่งเหล่านี้แหละจะสอนให้เราดับทุกเองพอเราจะรู้ว่าไม่ต้องไปทุกข์กับความทุกข์ที่เกิดยอมทุกข์ตามที่มันเกิดตามที่มันเป็นตามเหตุปัจจัยที่มันมีมานะส่วนทุกข์จะดับหรือไม่ดับจะหมดกันหรือไม่หมดกันก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัใจจัยในแต่ละเรื่องครัหเหตุปัจจัยนั้นยังมีอยู่ก็ยังต้องทุกข์ต่อกันไปอีก อยู่เรื่อยๆแน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราไม่ต้องไปทุกข์กับเรื่องเหล่านั้นก็คือการยอมรับความจริงอย่างน้อยก็ไม่ต้องทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นมากมันเป็นเรื่องแปลกเรายอมรับความจริงได้ยอมรับความทุกข์ได้เราจะไม่ทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นมาก <Okay. S 1> ความจริงนี้บางทีเราก็ไม่เข้าใจว่าความจริงคําว่าสัจจะสัจจ ะ, ะความจริงนี้มันมันจะต้องเป็นสัจจะที่มันมันอยู่เหนือ เหนือการอย่างรู้ของคนทั่วไปเหลือต้องเป็นพระอริยบุคคลเท่านั้นหรือจึงรู้สัจจะจริงๆมันไม่ใช่นะสัจจะมันมีหลายระดับสัจจะในระดับชาวบ้านเราระดับบุรุชนเนี่ยพวกเราก็สามารถรู้สัจจะมันไม่ใช่สิ่งที่อยู่เหนือการอย่างรู้ของเราสัจจะในแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นกับเราก็คือแต่ละวันแต่ละคืนแต่ละขณะเราเกิด ส, สิ่งใดก็ตามอ่ะที่มันมากระทบกับจิต แล้วมันเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่มากระทบกับจิตทุกเรื่องเป็นสัจจะเป็นความจริงตรงนี้เราไม่รู้สายตามองเห็นหูได้ยินเสียงจะบุกดมกลิ่นริมริมรถกายรับการสัมผัสอารมณ์เกิดกับจิตสิ่งเหล่านี้เป็นสัจจะทางนั้นแต่เป็นสัจจะที่เราไม่ได้ถูกกาหนดรู้เราไม่ได้รู้ว่านี้เป็นสัจจะคือเป็นสัจจะในระดับชั้นชาวบ้านสัจจะของพระรีเจ้าเป็นสัจจะในชั้นของการเห็นความจริง ในการละไายวางนั้นเป็นความจริงในชั้นปล่อยวางแล้วในความจริงในชั้นเห็นพระนิพานกันในระดับทําลายล้างอาสวัคิเลสในระดับเราต้องเห็นสัจจะในชั้นของการศึกษาผู้เจ้าจึงใช้คําว่าเสขะเสขาสคือศึกษาเรียนรู้เพวกเราใช้คําว่าสิกขาระดับชาวบ้านใช้คําว่ า, าสิกขาสิกขากับเสขาอันเดียวกันนั่นแหละสับมาจากราฐานเดียวกันแต่เสขาใช้กับพระอริยเจ้าตั้งแต่โสดาบันอาเสขะคือใช้กับพระอรหันต์คือไม่ต้องศึกษา ไม่ต้องมาสิกขาไม่ต้องไม่มีสีขาบทใดๆแล้วแต่ชาวบ้านต้องมีสีขาบทนะชาวบ้านมีสีขาบทบทที่จะต้องศึกษา5้าอย่างเงี้ยแปกับ8เป็นบทที่จะต้องศึกษาการศึกษาอย่างนี้คือเอามาศึกษาเอามาเรียนรู้เอามาทําความเข้าใจเอามาฝึกจิตอย่างเงี้ยสิ่งที่เราพอใจหรือไม่พอใจอันนี้ก็เป็นสัจจ์สิ่งที่เราโกรธเกลียดรักชังอันนี้ก็เป็นสัจจ์ความฟุ้งซ่านความวุ่นวาย ความสงบแล้วครับอันนี้ก็เป็นสัจจะสัจจะมันมันเป็นด well, ้ rewarded, า, า, az, nah, pareil, านทั <gener> ้ง <assumed> ด <Mortal sait>. ้านดีและด้านไม่ดีทั้งทั้งด้านสิ่งที่เป็นกุศลก็เป็นสัจจะอกุศลก็เป็นสัจจะมีความจริงทั้งสองด้านแต่เราไม่เข้าเข้าใจความจริงอย่างนี้มีคนมาด่าแล้วโกรธก็ถูกต้องอันนั้เป็นสัจจะเป็นความจริงเพราะสิ่งที่มากระทบกับจิตมันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีมีคนมาชมและดีใจอันนี้ก็เป็นสัจจะเพราะสิ่งที่มากระทบกับจิตเป็นสิ่งที่ดี แต่ทํำยังไงที่เราจะสามารถเดินตามทางสายกลางที่ไม่ติดอยู่ข้องอยู่กับสิ่งที่เราพอใจและปฏิเสธสิ่งเราไม่พอใจเนี่ยผู้เจ้าญทรงสอนอย่างเงี้ยให้เราอยู่ในทางสายกลางอย่างไรที่ไม่ไปเองไปในด้านใดด้านหนึ่งหรือติดอยู่ในด้านใดด้านห น, นึ่งโดยที่เราสามารถยอมรับสัจจคตให้ทั้งสองด้านยอมรับทั้งด้านดีและด้านไม่ดีอย่างนี้ไปตลอดแน่นอนชีวิตของเราเนี่ยมันต้องเจอในด้านที่มันไม่ดีมากกว่าด้านดีอยู่แล้วนี่คือความจริง ต้องเจอคนที่นินทามากกว่าคนที่สรรเสริญแน่นอนเป็นเรื่องปกติถ้าเรามองเห็นว่าเป็นเรื่องปกติคือเห็นเป็นสัจจะเป็นความเป็นธรรมดาได้สัจจะตัวนี้จะค่อยขัดเกลาจิตใจเราไปเรื่อยๆจะค่อยๆทาให้เราเข้าไปเห็นสัจจะเป็นชั้นเป็นชั้นที่สูงขึ้นไปเป็นลําดับนะฮะจนไปเห็นสัจจะในพระนิพพานว่าสัจจะแห่งความดับไปของทุกข์ก็คือนิพพานนั้นเป็นสัจจะอันหนึ่ง ที่เมื่อเรายอมรับสัจจะในชั้นอย่างเงี้ยกแรกๆอย่างเงี้ยในชีวิตของเราที่เป็นปัจจุบันธรรมเนี่ยยอมรับอย่างนี้ได้จะเป็นสัจจะที่จะทําให้เราพ้นจากความทุกข์ได้นี่คือความจริงพอเราเข้าใจแล้วมันก็คลายก็วางมันเป็นทางสายกลางนะการคลายการวางจะเป็นทางสายกลาง การยึดยึดดียึดผิดยึดถูกอันนี้ไม่ใช่ทางสายกลางอะไรก็ตามคลายวางได้มันก็เป็นทางสายกลางเมื่อนั้นการเดินทางสายกลางนี่แหละคือทางที่จะเป็นไปเพื่อการพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง น, นี่คือสาคัญอยู่ตรงนี้ที่เราไม่ค่อยเข้าใจกัน ก็มีใครถามคนที่ชมอยู่ในนี้ก็ชมอยู่นั่นอ่ะไม่ถามมามนะได้แต่ชมฮนะ ม, ม, ม, มีมีใครต่อยอดให้ได้คุยก็อวยพรกันละทีเนี้อขออำนาจ พอพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลบุญกุศลที่เกิดจากการถวายทานบุญกุศลที่เกิดจากการรับฟังธรรมเทศนาบุญกุศลที่เกิดจากการแสดงธรรมของอัตมาขอบุญทั้งสามประการนี้จงเป็นมหันตเดชานุภาพอันวยอวยพรต่อบสนองให้ญาติโยมทุกท่านเป็นผู้ประสบความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุมีอายุยืนนา น, านเจริญด้วยวันณะมีผิวพรรณผ่องใสเจริญด้วยสุขามีความสุขกายสบายใจเจริญด้วยพะละมีกำลังวังชาสมบูรณ์แข็งแรงและขอานุภาพแห่งบุญนี้ จงมีฤทธิ์มีอนุภาพมาลายสิ่งชั่วร้ายทั้งหรทั้งปวงออกไปจากชีวิตจงบรรดาสิ่งดีๆให้เข้ามาสู่ชีวิตนุ่นนำจิตใจของพวกเราทุกคนให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงให้เข้าถึงความเจริญทุกๆคนเทอญ